ธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร่งคือมรรคผลนิพพานเป็นธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติการจะปฏิบัติให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ก็ต้องมีการศึกษาวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ปฏิบัติไปก็จะไม่ได้ผลดังที่ปรารถนาผู้ที่ปรารถนามักผล น, ผนิพพานจึงจะเป็นที่จะต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติแล้วมักผล น, ผนิพพาน ก็จะเป็นผลที่จะเกิดตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรให้ความสนใจในเบื้องต้นก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าควรศึกษาพระสูตรสำคัญต่างๆเช่นพระธรรมจักกปาวัตนสูตร อนัตตลักษณะสูตรสติปัฏฐานสูตรมงคลสูตรเป็นต้นนี่เป็นพระธรรมคำสอนที่สำคัญที่ผู้ปฏิบัติควรจะศึกษากันเพราอจะได้รู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะนำ ผลคือมรรคสี 4. 4. ่ผลสี่นิพานหนึ่งให้ปรากฏขึ้นมาการศึกษานี้ก็ศึกษาได้จากหนังสือพระไตรปิฎกแล้วศึกษาจากหนังสือของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายหรือฟังเทศฟังธรรมของพระสุปฏิปโนทั้งหลายพระที่ได้บรลลู มากผลนิผ่านแล้วอัติของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุแล้วถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่คำสอนของท่านก็ยังมีการจะรึกเก็บเอาไว้อยู่ในสื่อต่างๆเช่นในหนังสือในแผ่นซีดีเป็นต้น ธรรมะเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะได้พูดได้แสดงไว้เป็นเวลามาหลายปีแล้วก็ตามแต่ประสิทธิภาพของธรรมะเหล่านี้นั้นไม่ได้เสื่อมไปกับการกับเวลาสามารถที่จะสอนให้ผู้สนใจได้รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องได้และถ้านำเอาไปปฏิบัต ตามที่ได้รับการสั่งสอนผลคือมากผลลีพานก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมไปตามการตามเวลาเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัย มีประสิทธิภาพในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงด้วยพระองค์เองก็จะมีประสิทธิภาพในสมัยปัจจุบันที่ได้มีการจารึกไว้ในในหนังสือในพระไตรปิฎกถ้าอ่านหนังสือเหล่านี้ก็จะรู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้อง เมื่อรู้จากวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ธรรมที่จะทําให้ผู้ปฏิบัตินี้ได้มรรคผลผนิพพานพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในธรรมจักรกับวัฒนสูตรคือแสดงทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทา ทางที่อยู่ระหว่างความสุดตรงของอีกสองทางสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุปทางสายกลางนี้ก็มีผู้ที่พยายามที่จะบําเพ็ญปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ภายในใจต่างๆมีอยู่สองทางที่เรียวาทางสุดตรงทางหนึ่งก็คือดับความทุกข์ด้วยการหาความสุข ต่างๆอย่างที่เราเห็นกันหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นการหาหาวิธีการดับทุกข์ของของคนทั่วไปอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าก็ได้ส่งมีประสบะการณ์มาแล้วในสมัยที่เป็นพระราชาโอรส ก็ส่งดับความทุกข์พยายามใช้ความสุขทางราบยุศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาดับความทุกข์ใจแต่ก็เห็นว่าดับได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเวลาไม่มีความสบายใจก็ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปซื้อข้าวซื้อของไปช้อปปิง้ง ไปท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็เกิดความสุขเกิดความเพลิดเพลินใจพอกลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นก็หายไปเหลือแต่ความอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวเหลือแต่ความอยากที่จะหาความสุขมาเพิ่มมาดับความอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ก็ต้องออกไปหาอยู่เรื่อยๆหาลาบยศ ส, สรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เรื่อยๆหาได้มากน้อยเพียงไรก็หมดไปไม่มีอะไรค้างติดเลยอยู่ในใจที่จะมาดับความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวด้ดับความทุกข์ต่างๆได้เลยพระองค์จึงทรงเห็นว่านี่ไม่ใช่เป็นทาง ของการดับความทุกข์ใจจึงได้เสด็จออกจากพระราชวังสละราชสมบัติแล้วก็ไปศึกษาไปปฏิบัติหาแนวทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นไปศึกษาอยู่กับอาจารย์ต่างๆท่านก็สอนวิธีดับความทุกข์ด้วยการทําใจให้สงบทําใจให้เป็นสมาธิแต่การทําใจให้สงบ การทำใจให้เป็นสมาธินี้ก็ดับความทุกข์ไว้ได้เพียงชั่วคราวเหมือนกันพอออกจากความสงบออกจากสมาธิมาพอใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความทุกข์ใจต่างๆขึ้นมาก็จึงต้องออกไปหาทางก็ไปพบกับพวกฤาษีที่เขาบาเพ็ญการดับทุกข์ด้วยการทรมานร่างกาย โดวยวิธีการต่างๆโดยการเอาของแหลมของคมมาทิ่มมาแทงร่างกายนั่งอยู่บนที่มีหนามีของแหลมคมจิ่มแทงร่างกายเพื่อให้เพื่อให้ใจนั้นมีความอดทนที่จะดับความทุกข์ต่างๆแต่ก็ดับได้เพียงแต่ความทุกข์ที่ทางร่างกายเท่านั้น แต่ความทุกข์ทางใจนี้ก็ยังมีอยู่ใจยังไม่พ้นจากความทุกข์ทนได้กับความทุกข์ทางร่างกายแต่ไม่ความทุกข์ทางร่างกายที่ทนได้นี้ไม่สามารถไปดับความทุกข์ทางใจได้แม้พระองค์เองจะทรงอดพระกยายหานถึง4 9วันก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ ดับความสู้กับความทุกข์ทรมานความเจ็บความหิวโหยของร่างกายได้แต่ไม่สามารถที่จะสู้กับความทุกข์ทางใจได้ดับความทุกข์ทางใจได้จนทรงเห็นว่าถ้าอดต่อไปก็จะต้องตายและความทุกข์ใจก็ยังจะไม่หมดไปจึงได้ทรงยุติการอดพระกาย า, าร พอทรงเห็นว่าไม่ใช่เป็นทางอันนี้เป็นทางสุดตรงอีกทางหนึ่งด้วยการดับความทุกข์ใจด้วยการทรมานร่างกายจึงทรงกลับมาย้อนพิจารณาก็ทรงระลึกถึงความสงบของใจว่าเวลาใจสงบนี้ความทุกข์ใจนี้หายไปแต่หายไปเฉพาะที่เวลาที่อยู่ในสมาธิ พอออกจากสมาธิมาความทุกข์ใจนี้ก็ปรากฏขึ้นมาใหม่จึงทรงพิจารณาดูว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ทรงเห็นว่าความคิดของพระองค์เองนี่แหลงสังขารความคิดปรุงแต่งเวลาคิดไปในทางความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระองค์จึงทรงหาวิธี ทำให้หยุดความคิดไปทางในทางความอยากการที่จะหยุดความคิดไปในทางความอยากก็ต้องคิดไปในทางไม่อยากการที่จะคิดไปในทางไม่อยากได้ก็ต้องเห็นว่าการคิดไปในทางความอยากไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ จะไม่ได้สำเร็จดังใจต้องการต้องการอะไรก็ตามอยากจะได้อะไรก็ตามสิ่งที่ได้มานั้นจะให้ความสุขได้เพียงชั่วคราวจะไม่สามารถให้ความสุขไปได้ตลอดจะไม่สามารถดับความทุกข์ใจไปได้ตลอดดับได้เพียงชั่วคราวเช่นคนที่อยากจะสุขบะไร ก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความลำคาญใจขึ้นมาก็ไประบายด้ืดับความหงุดหงิดลำคาญใจด้วยการไปสู่บุหรี่พอสู่ไปแล้วความหงุดหงิดลำคาญใจก็ระงับดับไปชั่วคราวแล้วไม่นานความอยากจะสู่บุหรี่ก็โผล่ขึ้นมาใหม่ความหงุดหงิดความลำคาญใจก็เกิดขึ้นมาใหม่ ดังนั้นจึงทรงเห็นว่าการที่จะอดับความทุกข์ใจด้วยการทําตามความอยากนี้ไม่ใช่ทางจึงทรงพิจารณาว่ามันน่าจะเป็นการไม่กระทําตามความอยากนี่มากกว่าเวลาเกิดความอยากก็พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันนําไปสู่ความทุกข์ที่จะตามมาอยู่เรื่อยๆ พอเวลาเกิดความอยากขึ้นทีไรความอยากนั้นก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาทุกครั้งไปะพร อ, องค์ก็เลยใช้การทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาไม่ให้ทําตามความอยากพอทรงฝืนการกระทาตามความอยากได้ความทุกข์ใจก็หายไปและความอยากก็หายไปจึงพบทางสายกลาง ทางที่จะนำไปสู่ความดับของความทุกข์ใจก็คือดับด้วยการละตันหาความอยากด้วยการพิจารณาสิ่งที่ต้องการสิ่งที่อยากได้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราเวลาเราอยากได้อะไรเราก็อยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้เป็นของเราไปตลอดพอมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นของเราขึ้นมา เราก็เสียใจร้องห่มร้องไห้เวลาได้อะไรมาใหม่ๆเราก็ดีออกดีใจแล้วคิดว่าจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่พอเขาจากเราไปเขาเปลี่ยนไปเขาเสื่อมหรือดับไปเราก็เสียอกเสียใจนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่ ใจไปหลงคิดว่าให้ความสุขกับตนเช่นลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสธุถะร่างกายของคนนั้นของคนนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นผู้ปฏิบัติที่จะหยุดความอยากได้ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันไม่ได้เป็นสุขมันเป็นสุขชั่วคราว เป็นสุขที่หุ้มห่อความทุกข์อยู่เป็นเหมือนน้ำตาลที่หุ้มหอยาขมอยู่เวลาน้ำตาลละลายไปหมดก็จะเหลือแต่ความขมฉันใดความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ละลายเหมือนกับน้ำตาลที่หุ้มยาขมพอความสุขที่ได้มามันละลายไปมันก็จะเหลือแต่ความทุกข์ การกระทําตามความอยากต่างๆก็เป็นการเดินเข้าหาความทุกข์ไม่ได้เป็นการเดินเข้าหาความสุขวิธีที่จะเดินเข้าหาความสุขก็คือต้องอยู่กับความสงบต้องไม่ทําตามความอยากออนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้ทรงค้นพบตัดสัลุทรงเห็นสรงเห็น ทางสายกลางและวิธีที่จะดำเนินทางสายกลางนี้ได้ก็คือต้องเริ่มด้วยการมีความเห็นที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งต้องมีความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นว่าวิธีบำบัดกำจัดความทุกข์นี้ต้องบำบัดด้วยทางสายกลาง ทางสายกลางนี้ก็คือต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากสามประการด้วยกันคือความอยากในกามเรียกว่ากามตัหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้เรียกว่าภาวะตัหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือวิภวะตันหา อยากไม่ให้อยากสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่บางครั้งก็ห้ามไม่ได้เวลาจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเช่นความแก่ความเจ็บความตายนี้เราก็ไปห้ามมันไม่ได้ถ้าไปเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้ายอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรเกิดแต่ความทุกข์วุ่นวายใจไปเปล่าๆถ้าคิดอย่างนี้ได้ใจปล่อยวางได้ใจก็จะสงบความคิดอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปโป ตอนต้นให้มีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากจากตัณหาความอยากแล้ววิธีที่จะกาจัดตัณหาความอยากก็ต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปก็จะไม่อยากได้เหมือนได้ยาพิษมานี้ไม่มีใครอยากได้ยาพิษ ถ้ารู้ว่าเป็นยาพิษนี่ไม่มีใครอยากได้กันเพราะรู้ว่าถ้าดื่มยาพิษเข้าไปก็จะต้องมีแต่ตายเท่า น, นั้นการที่เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่นอกใจนี่ก็เป็นเหมือนการหายาพิษเข้ามาทำลายจิตใจมาสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจนั่นเองทุกวันนี้ที่พวกเราทุกคนอยู่นี่ทุกข์กับเรื่องอะไร ก็ทุกข์กับเรื่องที่เราเกี่ยวข้องด้วยเรื่องที่เรามีอยู่นี่สิ่งใดที่เรามีอยู่เราก็ทุกข์เพราะเราหวงเราหวงเราไม่อยากให้เขาจากเราไปเราก็หวงเราก็หวงแล้เวลาเขาจากเราไปเราก็ทุกข์อีกเสียอกเสียใจอีกแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นถ้าไม่มี คนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครองของเราเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาพอมีเขาแล้วเราก็ต้องทุกข์กับเขาทุกข์เพราะความอยากให้เขาให้ความสุขกับเราไปตลอดให้อยู่กับเราไปตลอดเวลาใดที่เขาไม่ให้ความสุขกับเราเวลานั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของ ความคิดที่ถูกต้องคือเราต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์หรือว่าถ้าเรามีความหลงรักใครก็ต้องพยายามมองให้เห็นว่าเขาไม่น่าดูไม่ชไม่น่าชมร่างกายเขาไม่สวยไม่งามอย่างที่เราคิดอย่างที่เราเห็นว่เาเขามีส่วนที่ไม่สวยไม่งามซ่อนอยู่ ภายใต้ผิวหนังก็ดีหรืออนาคตของร่างกายนี่ต่อไปก็จะต้องเสื่อมลงไปจะต้องแก่ลงไปจะต้องเจ็บแล้วก็จะต้องตายไปในที่สุดอันนี้ก็เป็นการคิดเพื่อที่จะให้หยุดความอยากเช่นกามมตัญหาความอยากมีอยากเป็นอยากใหญ่เป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยก็เช่นเดียวกันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกัน พอไม่ช้าก็เหว็วร่างกายก็ต้องตายไปร่างกายก็ต้องแก่ลงเคยเป็นใหญ่เป็นข้าราชการมีตำแหน่งสูงแต่พออายุมากขึ้นก็ต้องปลดกเกษียณก็ต้องหมดตำแหน่งไปหมดยศหมดฐานะไปทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาถ้าไปยึดไปติดก็จะเกิดความเสีย อ, อกเสียใจ เวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่ไปยึดไปติดก็ต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปอยากมีอยากเป็นให้เป็นปกติของเรานี่แหละเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่แบบปกติอยู่แบบสามัญชนถึงแม้ว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอะไรก็ไม่หลงไม่ยึดไม่ติดถึงแม้ว่าจะได้ลาบยุดได้ได้เงนินได้ทองมา มากมายกายกองก็ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าไปยึดไปติดแล้วเวลาที่มันเสื่อมมันหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาส่วนสิ่งที่เราไม่ปรารถนาที่จะต้องพบแต่ก็ต้องพบเช่นการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญการเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นรสปฐพะความเสื่อมของร่างกาย เราอยู่ในโลกที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมเป็นธรรมดาเวลามันเสื่อมก็ต้องยอมรับความจริงจะไปอยากให้มันไม่เสื่อมมันก็จะทุกข์ไปเปล่าๆอันนี้ก็คือความคิดที่ถูกต้องถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องแล้วก็จะมีการกระทาที่ถูกต้องการกระทาก็จะกระทำไหนสิ่งที่ ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นและกับตนเองเช่นการทําบาปต่างๆการทําบาปนี้ก็เกิดจากการมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเองแต่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็จะไม่อยากได้อะไรหรือถ้าต้องการอะไรที่จําเป็นเช่นการเลี้ยงชีพของร่างกาย ก็จะหามาด้วยการกระทำที่ไม่ต้องทำบาปจะไม่รักทรัพย์จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เสพสุรายามา่าไม่พูดปดโกหกหลอกลวงอันนี้เป็นการกระทำทางกายและทางวาจาที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะดำเนินทางสายกลางเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน จำเป็นที่จะต้องมีศีลที่บริสุทธิ์กายวาจาต้องบริสุทธิ์ต้องไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเพราะมันจะสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้กระทาเองด้วยเวลาไปทําร้ายผู้อื่นแล้วใจก็จะไม่สบายใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมานะก็นี่คือเรียกว่าการกระทําที่ถูกต้องและการพูดที่ถูกต้อง การกมีศีลศีล5ศีล8ศีลส0ศีล2 27ริศีล300กว่านี้ก็อยู่ในเรื่องของการกระทำและการพูดที่ถูกต้องพวกที่จะเดินทางในาทางสายกลางถ้าไม่รู้ก็ควรจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องศีลวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร ขึ้นอยู่กับความกําลังของผู้ปฏิบัติว่าต้องการปฏิบัติมากแค่ไหนถ้ายัางกําลังน้อยก็ปฏิบัติเอาน้อยๆก่อนเช่นเอาศีลห้าไปก่อนพอมีกําลังมากขึ้นก็เพิ่มเป็นศีลแปดเพิ่มเป็นศีลสิบเพิ่มเป็นศีลสองร้อยยิบเจ็ดสามร้อยสามสิบกว่าสามร้อยกว่าข้อนี้เพิ่มไป เพื่อที่จะได้รักษาเพื่อที่จะได้ป้องกันความอยากต่างๆเพราะการกระทําบาปหรือการกระทําผิดนี้ก็เกิดจากการมีความอยากปล่อยให้ความอยากไหลออกมาทางกายและทางวาจาการกระทําตามความอยากเราก็เห็นแล้วด้วยสัมมาทิฏฐิว่าเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ได้เป็นการสร้างความสุข ยังอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปทําการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆอย่างพวกที่เขาเลือกตั้งกันเอกฎหมายก็บังคับกําหนดไว้แล้วว่าไม่ให้ซื้อเสียงแต่ถ้าไม่ซื้อเสียงก็กลัวจะไม่ได้เอก็ต้องไปซื้อเสียงอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทําที่ผิดแล้วเป็นการเหมือนกับเป็นการอา ลักรัพย์เป็นการที่จะไปซื้อเสียงเพื่อที่จะได้ตำแหน่งอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีศีลถ้ามีศีลก็จะทําตามกฎกติกาของการเลือกตั้งไม่ให้ซื้อเสียงก็ไม่ซื้อเสียงได้ก็ได้ไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรศีล น, นี้ก็มีไว้สำหรับคอย คอยปราม ห, หรือคอยเบรคความอยากต่างๆถึงแม้ว่าอย่างยังมีอยู่ก็ให้มันอยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงามเพื่อจะได้ไม่เกิดโทษเกิดพิษเกิดภัยกับผู้ที่กระทำะแต่ถ้าดีที่สุดก็ถ้ามีสัมมาทิฏฐิและสามารถสอนใจให้หยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องไปแสวงหาลาบยศ ไม่ต้องไปเป็นใหญ่เป็นโตไม่ต้องล่ำาวยต้องรวยถ้าปฏิบัติทำใจให้สงบได้จะมีความสุขแล้วความสุขนี้ก็จะทำให้ไม่อยากที่จะร่ำรวยหรืออยากเป็นใหญ่เป็นโตอย่านอกจากการมีศีลแล้วขั้นต่อไปน อ, นอกจากการมีศีลแล้วก็ต้องมี สาม า, าชีพอาชีพที่ถูกกฎหมายนี่องอยากจะเป็นผู้แทนก็ให้เป็นผู้แทนแบบถูกกฎหมายอย่าไปทำผิดกฎหมายมีอาชีพอะไรก็อย่าไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลผิดธรรมอาชีพที่ผิดกฎหมายก็เช่นค้าของเถื่อนค้ายาเสพติดสิ่งที่ผิดกฎหมายต่างๆ อาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมก็คืออาชีพที่ต้องฆ่าต้องลักทรัพย์ต้องโกงต้องโกหกหลอกลวงอาชีพเหล่านี้เรียกว่าเป็นอาชีพที่ไม่ถูกต้องผู้ที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องไม่ให้เกิดโทษก็ต้องมีสัมมาชีพแล้วก็ต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในใจให้ได้เพราะว่าถ้ามีความสุข เกิดขึ้นภายในใจแล้วก็จะบรรเทาความอยากต่างๆได้แล้วก็จะสามารถใช้สมาธิฏฐิมาสอนใจให้ละความอยากต่างๆให้หมดไปได้การที่จะทําใจให้สงบคือมีสมาธินี้ก็ต้องมีสติเป็นผู้นําใจให้เข้าสู่ความสงบใจจะสงบได้ต้องมีสติเป็นผู้ดึงเข้าไปข้างใน ถ้าไม่มีสติใจจะถูกความอยากต่างๆผลักดันออกมาข้างนอกผลักดันให้ออกมาหาลูกเสียงกลิ่นลสให้ออกมาหาราบยศสรรเสริญพอมีความอยากผลักดันออกมาก็จะต้องไปหามาแล้วถ้ามีความอยากที่รุนแรงก็อาจจะต้องหามาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องถ้าไม่สามารถหามาได้โดยวิธีที่ถูกต้อง แต่ถ้าสามารถจเจริญสติอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถที่จะดึงใจนี้ให้อยู่ข้างในให้อยู่ในความสงบเวลาใจอยู่กับความสงบใจก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอเพราะความอยากนั้นได้ถูกละงับไว้ด้วยกำลังของสติแต่กำลังของสตินี้ก็มีมีขอบเขต การจะอยู่ในสมาธิก็อยู่ได้เป็นระยะเวลาช่วงเป็นช่วงช่วงพอหลังจากนั้นก็จะต้องออกมาเพราะมีร่างกายที่จะต้องคอยดูแลรักษาต้องมีการเปลี่ยนเอรียาบทต้องมีการเดิมน้าต้องมีการขับถ่ายพอออกมาจากสมาธิก็ต้องใช้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโป ค, คือความเห็นที่ถูกต้องและความคิดที่ถูกต้อง คอยคิดห้า ม, า ม, า ม, ามตามความอยากไม่ให้ไปทําตามความอยากไม่ให้ไปหาราบยศสรรเสริญไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย <c oughs> ให้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิดีกว่าให้ทําใจให้สงบให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย อ่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอาการสาสิบสองที่ประกอบจากดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนรถยนต์ที่ประกอบจากวัตถุต่างๆรถยนต์ก็เป็นส่วนที่ประกอบจากชิ้นส่วนต่างๆชิ้นส่วนต่างๆก็ผลิ์จากวัตถุต่างๆไ ม, มไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในร่างในรถยนต์ชั้นใด ก็ไม่มีตัวนิตนอยู่ในร่างกายฉะนนั้นผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้เป็นส่วนของร่างกายผู้ที่มาครอบครองคือใจนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองไม่ได้เป็นร่างกายแต่ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิก็จะถูกมิจฉาทิฏฐิความหลงความเห็นผิดเป็นชอบหลอกให้คิดว่าร่างกายเป็นใจเป็นตัวเราของเรา พอไปคิดอ่างนั้นเข้าก็จะเกิดความหลงยึดติดเกิดความอยากให้ร่างกายนี้เป็นของเราไปนานๆาแต่ร่างกายนี้โดยธรรมชาติก็เป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวอมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อม การเสื่อมก็เป็นการเสื่อมของดินน้ำลมไฟนี้เองเสื่อมของอาการสามสิบสองเสื่อมของผมขนเละฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเสื่อมของอวัยวะต่างๆเช่น ม, าม้าปอดหัวใจตับผังผืนลำไส้เป็นต้นสิ่งนั้นนี้เสื่อมเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมดาแต่ไม่ไม่มีตัวไม่มีตนในสิ่งเหล่านี้ผู้ที่คิดว่าเป็นตัวเป็นตนตนี้ไม่ได้อยู่ในสิ่งเหล่านี้ะ ผู้ที่คิดเป็นตัวเป็นตนนี้เป็นอยู่อีกที่หนึ่งหรืออยู่อยู่คนละโลกก็ว่าได้ผู้รู้นี้คือใจนี้อยู่ในโลกทิพย์ส่วนร่างกายนี้อยู่ในโลกกะธาตุเชื่อมต่อด้วยวิญญาณที่ออกมาจากใจวิญญาณที่เรียกว่าวิญญาณในขันห้วิญญาณนี้เป็นผู้มารับข้อมูลทางตาหูจมกูกลิ้นกาย แล้วส่งไปให้ใจใจพอได้รับข้อมูลเหล่านี้ก็หลงไปคิดว่าใจเป็นร่างกายขึ้นมาแต่ใจเองเป็นเพียงผู้ที่ใช้ร่างกายหาข้อมูลต่างๆคือหารูปเสียงกลิ่นรสปดทพะมาเสพมาสัมผัสมาเพลิดเพลินมามีความสุขและมีความทุกข์กับสิ่งที่ได้เสพได้สัมผัส นี่คือสิ่งเราต้องพิจารณาแยกใจออกจากร่างกายให้ได้เพื่อเราจะได้ไม่ไปรักไปหวงร่างกายเพราะว่าไม่ช้าก็าเร็วร่างกายนี้จะต้องจากเราไปจากใจไปถ้าใจมีความคิดที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโฆนี่มาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆใจก็จะคลายความยึดติดได้ปล่อยวางได้ เวลาถึงเวลาที่จะต้องจากกันก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ทุกข์ทรมานใจแต่ใจจะต้องมีความสงบเป็นพื้นฐานถ้าใจไม่มีความสงบนี้จะปล่อยวางไม่ได้จะยึดจะติดจะอยากอยู่เพียงอย่างเดียวแต่ถ้ามีความสงบเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพอสอนใจให้เห็นว่าการยึดการติดการอยากนี้เป็นทุกข์ ใจก็จะปล่อยใจก็จะกลับมาตั้งอยู่ที่ความสงบถ้าอยู่ที่ความสงบแล้วเวลาจากร่างกายไปร่างกายจากไปก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานใจจากกันอย่างสงบจากกันอย่างสุขอย่างสบายอยู่ก็อยู่กันแบบสุขแบบสบายเพะไม่รักพะไม่หวงไม่หวงจนเกินไปก็ดูแลรักษาไปเท่าที่จะดูแลรักษาได้ อยู่ได้ก็อยู่ไปรักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปแต่ใจจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับร่างกายถ้ามีปัญญาพิจารณาเห็นว่ามันเป็นเพียงอาการสามสองมันทำมาจากดินน้าลมไฟแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตาม มันเป็นเพียงร่างกายผู้ที่มาครอบครองที่ที่ได้รับสมมุติว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่มาครอบครองร่างกายแล้วใช้ร่างกายให้แสดงบทบาทของตนนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายเมื่อร่างกายนี้ตายไปก็อยู่ที่ว่ายังมีความอยากหรือไม่มีความอยาก ถ้ายังมีความอยากอยู่ก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่เรียกว่าไปเกิดใหม่เมื่อไปเกิดใหม่ก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ถ้าสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยความเห็นที่ถูกต้องและความคิดที่ถูกต้งองเวลาร่างกายนี้ตายไปให่ที่ไม่มีความอยากก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ ใจที่ไม่ต้องหาร่างกายใหม่ใจที่รับละความอยากทั้งหมดได้จากใจเรียกว่าใจใจที่เป็นนิพพานเนี่ยใจนี่แหละที่เป็นนิพพานคําว่านิพพานก็คือบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของใจความปราศจากตันหาทั้งสป่าศจากกามตันหาภาวตันหาวิภาวะตันห า, พะะนหาเพราะได้รับการชำระด้วยทางสายกลาง ด้วยความเห็นที่ถูกต้องด้วยความคิดที่ถูกต้องด้วยการกระทาที่ถูกต้องด้วยการพูดที่ถูกต้องด้วยด้วยการมีอาชีพที่ถูกต้องด้วยการมีความเพียรพยายามปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยการมีสติที่ถูกต้องและด้วยการมีสมาธิที่ถูกต้องอันนี้คือทางสายกลางเครื่องที่จะนำพาจิตใจให้ ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุด้วยพระองค์เองไม่มีใครที่จะสามารถดูทางนี้ได้ด้วยตนเองมีคนคนเดียวเท่านั้นที่มีความสามารถเป็นพิเศษเป็นคนที่เหนือโลกท่านเรียกว่าเป็นเอกบุรุษเป็นหนึ่งไม่มีสองนานๆจะมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสร่ ทางสายกลางนี้สักครั้งหนึ่งผู้ใดก็ตามถ้าได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพบกับพระธรรมคําสอนของท่านก็ดีก็จะมีโอกาสที่จะได้รู้จักทางสายกลางแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะดําเนินตามทางสายกลางนี้จนได้รับการได้รับผลจากการปฏิบัติทางสายกลางนี้ เก็ได้บรรลุมากผลนิพานกันบุคคลเหล่านี้ก็เรียกว่าพระอาหลันตสาวกนในยุคของแต่ละยุคของพระพุทธเจ้าของแต่ละพระพุทธศาสนานี้จะมีพระพุทธเจ้าเพียงหนึ่งองค์เท่านั้นแต่จะมีพระอาหลันตสาวกนี้เป็นแสนเป็นล้านได้เป็นหมื่นเป็นแสนได้เพราะว่าพอมีผู้รู้คนแรกแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้นี้ ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ได้ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเรานี้ต้องรอให้คนที่รู้อย่างพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ทางสายกลางนี้ถ้ายังไม่มีพระพุพะพทธเจ้ามาตรัสรู้ทางสายกลางนี้พวกเรานี้จะไม่มีวันรู้ทางรู้จากทางสายกลางนี้ได้เลยและเมื่อไม่รู้จักทางสายกลางนี้ก็จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพาน หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เลยก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไปจนกว่าจะได้มาเจอกับพระพุทธเจ้าเจอกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเวลาถ้าเจอแล้วถ้ายังไม่มีศรัทธาหรือมีศรัทธาแต่ยังไม่มีความแน่วแน่ต่อศรัทธาที่ตอนมีอยู่มีศรัทธาอยู่เชื่ออยู่ แต่ยังไม่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติตามคำสอนถึงแม้จะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าได้พบทางสายกลางแต่ถ้าไม่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้ ก, กับการปฏิบัติทางสายกลางนี้มากผลนิพพานที่ควงจะได้ก็ยังไม่เกิดอยู่ดีดังนั้นนอกจากได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วยังต้องมีศรัทธา ความเชื่อในพระพุทธศาสนาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีความทุ่มเทมีฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาก็มีอิทธิบาสีมีความยินดีที่จะทุ่มเทที่จะอุทิศชีวิตให้กับการปฏิบัติทางสายต่างนี้ถ้ามีมีความยินดีแล้วก็จะมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพีย ที่จะปฏิบัติตลอดเวลาปฏิบัติให้เต็มร้อยเพราะทางสายกลางนี้จะบรรลุได้จะได้ผลได้จะต้องปฏิบัติเต็มร้อยเหมือนนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องเรียนหนังสือเต็มร้อยถึงจะจบปริญญาได้ถ้าเรียนหนังสือไปทำงานไปนี้โอกาสที่จะจบในกรอบเวลาที่เขากาหนดไวน้น้อมเป็นไปไม่ได้ ต้องทุ่มเทให้กับการศึกษาอย่างเต็มที่ผู้ที่ปรารถนามรคนิพพานก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จให้กับการศึกษาและการปฏิบัติทางสายกลางนี้เพียงอย่างเดียวไม่มีอาชีพยอย่างอื่นไม่มีภารกิจอย่างอื่นปนรรญาผ้าหลานตสาวกที่ได้ปรลุ ก, กันนี้ท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้กันท่านทุ่มเทชีวิต จ, จิตใจท่านเกิยเป็นคารวาสผู้ครองเรือนเหมือนพวกเรา แต่เมื่อท่านเกิดศรัทธาแล้วท่านเกิดฉันทะแล้วเกิดความยินดีแล้วท่านก็เลยสร้างความเพียรด้วยการทุ่มเทด้วยการสละสถานภาพของผู้ครองเหลือนไปแล้วก็ไปอยู่แบบผู้บวชนักบวชไปอยู่แบบนักบวชหรือไปอยู่ไปบวชกันนี่แหละนักบวชก็คือผู้ที่ปฏิบัติทางสายกลางอย่างเต็มที่นี้เอง เมื่อท่านได้มีการทุบเทแบบนี้จิตใจก็จดจ่อยอยู่การปฏิบัติความคิดก็คิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติกําจัดความโลภความโกรธความหลงกําจัดการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่ช้าก็เร็วผลมันก็ต้องเกิดขึ้นมาเพราะว่าเหตุมันมีถ้ามีเหตุแล้วก็ต้องมีมีผลอย่างแน่นอนมันเป็นเรื่องของ เหตและผลเหตุก็คือการปฏิบัติแล้วผลก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นการที่ได้มาเกิดในชาตินี้ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ทำได้ยินได้ฟังพระธรรมคําำคำสอนทางสายกลางนี้ถ้าเรามีศรัทธาก็ถือว่าเราได้มีโอกาสใกล้ที่จะได มรรผลนี่ผ่านแล้วมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีฉันทะมีความยินดีที่จะปฏิบัติเมื่อมีฉันทะแล้วก็ต้องมีการทุ่มเทความภาคเพียรให้กับการปฏิบัติทุ่มเทชีวิตจิตใจความรู้สึกนึกคิด<ๆ> ใ, ให้กับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวไม่ห่วงคนนั้นไม่ห่วงคนนี้ไม่ห่วงคนนั้นห่วงคนนี<ๆ>้ไม่ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ไม่ห่วงสิ่งนั้นห่วงสิ่งนี้หลให้มัน อ, อ้หมดไปจากใจ ให้ห่วงอยู่เพียงอย่างเดียวคือมรรคผลนิพพานให้ห่วงอย่างเดียวอยู่กับการปฏิบัติว่าตอนนี้กำลังปฏิบัติทางสายกลางอยู่หรือเปล่าหรือปล่อยใจให้ทะเลทลัยไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่เป็นประโยชน์แก่การบรรลุมรรคผลนิพพานผู้ปฏิบัติต้องคอยสอดสอั่งดูแลใจของตนเองตลอดเวลาเพราะว่าใจนี้ชอบทะเลทลัยชอบ ไหลไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แทนที่จะคิดถึงเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องของทางสายกลางเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของการทําใจให้สงบกลับไปคิดให้ใจวุ่นวายขึ้นมาเป่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรประโยชน์ที่ได้รับจากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันก็เป็นประโยชน์ชั่วคราว มันไม่สามารถมาทําให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติจําเป็นจะต้องมีอิทธิบาทสี่มีฉันทะวิริยะจิตต์ใจต้องจดจอ่อวิมังสาใจต้องไข่ควรอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติทางซ้ายกลางเพลงอย่างเดียวถ้า ม, มีถ้ามีอิทธิบาทสี่นี้แล้วมรรคผลนิพพานก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะนี่คือสิ่งที่ พระอรหันตสาวกและพระพุทธเจ้ามีกันนั่นเองท่านมีอิทธิบาสีท่านจึงได้มรรคผลนิพพานกันพวกเราถ้ามีอิทธิบาสีพวกเราก็จะได้มรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนยังขอให้พวกเราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างทางสายกลางนี้สร้างอิทธิบาสีนี้ขึ้นมาแล้วรับรองได้ว่าสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนานี้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 อิชิตังปฏทิตังต um ุ მ หังกิปัมเเวาสมิจตุสเพปเรนตุสังกะปาจันโทปันะระโสยทามณิโชติระโสยทาสพภิติโยวิวัจจานตุสพภโรงโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีพายุโกภวะ าพิวาธานาสีลิตะนิจยางุทธาปจายโนจะตาโรธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านผู้ใดที่อยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญ เขามาถามได้ผ่านทงางไมโครโฟนอ่ามีมีทางนี้เดี๋ยวเขาจะขอขึ้นมาถามอา่าส่งส่งไมโครโฟนไปค่ะกาบน้ำมัสการพระอาจารย์นะคะโยมขอถามว่าครั้งแรกของการนั่งสมาธิะคะ่ะล้วเริ่มจิตจิตนิ่งอะคะ่ะจะมีอาการเหมือนเข้าพวัง แล้วก็จะสะดุ้งตอนนั้นจะมีอาการเหมือนมีแสงสว่างในตัวฮะแล้วเบาล่งๆสบายรู้สึกมีความสุขฮะแต่อาการนี้จะเป็นแค่แวัดเดียวแล้วก็หายไปเป็นแบบนี้สองสาครั้งคือคือนั่งเนี่ยไม่ได้ทุกครั้งนะคะ<ม>คือวันไหนที่จิตจิตนิ่งก็จะมีอาการอย่างนี้ค่ะแต่ตอนนี้นะคะอาการนี้หายไปแต่ก็จะมีอาการเอ่อเปลี่ยนใหม่ก็คือว่าจะมีรู้สึกว่าตัวจะมีหมุนไปทางขวา แล้วก็หมุนซ้ายจะเป็นแพทเทิร์นอยู่อย่างนี้ค่ะคือจะไม่มีหมุนซ้ายก่อนแล้วไปขวานะคะจะมีหมุนขวาแล้วก็ไปซ้ายเออเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะคะต่อมาพอมีหมุนขวาซ้ายเนี่ยก็จะเริ่มมีขึ้นบนแล้วก็ลงล่างเหมือนเหมือนเราอยู่บนลิฟต์ปะคะขึ้นวืบแล้วก็ลงอะค่ะพอถึงตรงนี้จะหยุดบริการพุทโธแล้วก็ตามดูอาการหมุนไปเรื่อย จนจนหยุดหมุนทีนิยมอยากทราบว่าถ้าจะพัฒนาจิตให้ยกระดับจะต้องดาเนินจิตต่อไปอย่างไรคะก็ต้องพยายามภาวนาต่อไปคือเวลาเกิดอาการอะไรขึ้นมาในความจริงไม่ควรที่จะไปตามตามดูมันควรจะอยู่กับการบริกรรมพุทโธเพราะว่าจิตยังไม่รวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ถ้าเราไปตามดูมันมันก็จะหยุดอยู่แค่ตรงนั้น มันจะไม่ไปเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิสมาธิที่ลึกและนิ่งที่ที่สงบที่มีอุเบกขามีความสุขสมาธิเราได้เป็นกรมะที่ชั่วคราวเรียกว่าคณิกะสมาธาิจิตสงบแล้วก็ตั้งอยู่ได้เดี๋ยวๆแล้วก็หายไปวิธีที่จะทำให้เข้าไปในอัปปนาได้ต้องเจริญสติต่อไป ต้องพุทธโธต่อไปควบคุมจิตใจอย่าให้ไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้รับรู้ให้อยู่กับพุทธโธบริกรรมพุทธโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะวูบลงไปแล้วก็จะนิ่งก็จะสงบแล้วการบริกรรมพุทธโธก็จะหายไปจิตก็จะนิ่งอยู่ในนั้นได้นานขึ้นถ้ามีกำลังสติมากก็จะอยู่ได้นาน วิธีที่จะทาให้อยู่ได้นานก็ต้องฝึกสติในเวลาที่เราไม่ได้นั่งก่อนที่เราจะมานั่งเยเช่นตื่นขึ้นมานี้ท่านบอกว่าให้กำลสติได้ทั้งวันเลยให้พุโทโธพุธโทโธไปในใจในขณะที่เรากำลังทำอะไรต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดเพื่อใจเพื่อจะได้ดึงใจดึงใจให้ให้สงบไม่ให้คิดปรุงแต่งแล้วเวลานั่ง ก็จะมีกำลังมากที่จะดึงใจให้เข้าไปในความสงบและตั้งอยู่ในความสงบแต่การปฏิบัติสมาธินี้มันก็จะได้แค่ความสงบเท่านั้นมันจะไม่ได้ปัญญาแต่สมาธินี้จะเป็นฐานเป็นที่ส่งเสริมการเจริญปัญญาเพราะใจที่ไม่สงบนี้จะคิดไปในทางปัญญาไม่ได้เพราะกิเลสจะคอยกัดขวาง เวลาคิดไปในทางปัญญามันจะทําให้เรามีความรู้สึกเบื่อหน่ายหดหู่ําคาญไม่ชอบเพราะว่าสิ่งที่เป็นปัญญานี้เป็นสิ่งที่กิเลสไม่ชอบเช่นความแก่ความเจ็บความตายเช่นอาการสาสบสองของร่างกายเช่นความเสื่อมของราบยศสรรเสริญเช่นการพัดพรากจากของรักของชอบไปมีเป็นสิ่งที่กิเลสมันไม่ชอบ เวลาถ้าจิตไม่สงบนี่กิเลสจะมีกําลังมากมันจะต้านทาให้เราเกิดู้มีความไม่มีอารมณ์กับการพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้แต่ถ้าจิตสงบแล้วพอออกจากสมาธิมานี่ความสงบมันยังติดค้างอยู่ในใจแต่ถ้าเราไม่บังคับให้มันดึงมันไปพิจารณามันก็จะไม่ไปมันก็จะอยู่เฉยๆกับความสงบนั้นจนกว่ากิเลสจะออกมาเพ่นพ่านแล้วกิเลสมันก็จะดึงให้ไปคิดตามเรื่องของกิเลส ดังนั้นเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้าอยากจะพัฒนาขั้นต่อไปก็ต้องพิจารณาความไม่เที่ยงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องอยู่ที่เรามีอยู่ที่เรารักเราชอบเราหวงอยู่เช่นราบยศสรรเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนที่เรารักเราชอบต้องพิจารณาว่าไม่เที่ยง เกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วกินอย่างนี้แล้วมันจะได้ไม่หลงเมื่อไม่หลงแล้วมันก็จะได้ไม่ทุกเวลาที่เกิดความเสื่อมของร่างกายเกิดการพัดภาคจากกันไปว่ามันจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่มีใครไปห้ามมันได้อนาตตาไม่มีใครไปห้ามไปสั่งมันได้ ถึงเวลามันแก่ก็ต้องแก่ถึงเวลามันเจ็บก็ต้องเจ็บถึงเวลามันตายก็ต้องตายถ้าใจมีความรู้อยู่นี้จะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่มีความทุกข์ใจใจก็จะแก่เจ็บตายได้อย่างสบายเหมือนกับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้จะรู้สึกเฉยเฉยถ้ามีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆนี่คือขั้นที่เราควรจะดาเนินการหลังจากที่เรา ได้สมาธิได้อัปปนาสมาธิคือจิตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้แล้วตั้งอยู่ได้นานพอสมควรเกินนานหนาทีสิบนาที20นาทีส0นาทีไปเนี่ยแต่นังว่าเป็นอัปปน า, อาพอออกจากสมาธิแบบนี้แล้วใจจะเย็นจะสบายมีความสุขแต่จะขี้เกียจถ้าเราไม่ดึงมันไปพิจารณาทางปัญญามันก็จะไม่พิจารณา ดังนั้นปัญญาไม่เกิดจากสมาธิดยโดยตรงแต่ปัญญาต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถึงจะพิจารณาไปทางปัญญาได้อย่างถ้าจิตของคนที่ไม่มีสมาธิอย่างพวกเหล่านี้จะไม่ค่อยคิดเรื่องเรื่องราวเหล่านี้กันจะไม่ชอบคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายไม่ชอบคิดถึงการพลาดพลาดจากของรักของชอบกันจะไม่คิดถึงการสูญเสียลาบยศสรรเสริญกัน มีคิดแต่ว่าจะหาวิธียังไงจะได้ราบยศสรเสริญมากขึ้นไปเรื่อยๆกินแบบนี้เรียกว่าคิดไปในทางของกิเลสเพราะว่าลืมไปว่า่อให้มาได้มามากน้อยเพียงไรไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากกันไม่ใช่หรือเวลาเราตายไปทรัพย์สมบัติของเรากลายเป็นของใครไปเราติดตัวไปได้หรือเปล่าหรือบางทียังไม่ทันตายก็หมดเนื้อหมดตัวล่มละลายไปก่อนก็มี เราต้องพิจารณาให้รู้ทันแล้วเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดแล้วเราจะไม่ทุกเวลาเกิดการพัดพรากจากกันเข้าใจไหมมีอะไรจะถามไห ม, ไ ม, ม อ, อเดี๋ยวขอส่งมาให้ให้ทางนี้เดี๋ยวก็จะส่งกลับมาทางนี้เดี๋ยวมีพิธีกรจะตอบปัญหาทางบ้านที่ถามผ่านทางอินเทอร์เน็ต คำถามจากทางบ้านจากคุณสุขขุมการทำวัดเชา้าวัดเย็นทำเพื่ออะไรครับคํว่าวัดก็คือกิจวัตรกิจวัตรก็คืออุบายของนักปราชญ์ที่ให้พวกเรามีกิจวัตรทมที่จะเป็นการเป็นประโยชน์แก่จิตใจกิจวัตรที่ให้ทาก็คือการเจริญสติและการเจริญสมาธิและปัญญานี่เองด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ การสวดมนต์นี้ก็เป็นการฝึกสติเวลาเราสวดมนต์โดยที่ใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จดจ่ออยู่การสวดมนต์เพลงอย่างเดียวก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติแล้วถ้าเจริญสติได้ได้ต่อเนื่องสักความสงบก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาเป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติก็เรียกว่าเป็นการทาใจให้สงบเป็นการทาสมาธิแล้วถ้า มนที่เราสวดนี้เราเข้าใจความหมายเช่นถ้าเราสวดบทพระสูตรธรมมจากกัปปวัตนสูตรนี้ถ้าเราเข้าใจความหมายว่าแปลว่าอะไรเราจะได้ยินเหมือนกับได้ยินได้ฟังธรรมจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเพราะว่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แต่เป็นภาษาบาลีแล้วท่านก็รักษาภ า, ภาษาบาลีนี้ไว้เพื่อรักษาความความเที่ยงตรง เรกลัวว่าถ้าแปลเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วมันอาจจะคาดเคลื่อนได้โบราณท่านถึงไม่นิยมแปลท่านจะแปลก็แปลต่างหากแต่ท่านจะคงต้นฉบับไว้คือภาษาบาลีนี่เราก็เลยมาสวดภาษาบาลีกันซึ่งส่วนใหญ่เราสวดแล้วเราก็ไม่เข้าใจความหมายเพราะเราไม่ได้พูดภาษาบาลีเราพูดภาษาไทยถ้าเราอยากจะเข้าใจความหมายเราก็ต้องไปดูคําแปล ของพอสูตนี้ว่าแปลว่าอะไรก็แปลเรื่องทางสายกลางนี้เองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรไปมักที่เป็นองแปดนี้ถ้าเราเข้าใจความหมายเวลาอสวดไปเราก็จะได้เจริญปัญญาไปในตัวก็จะได้ปัญญาความรู้ความฉลาดความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องอหรือถ้าพสูตอย่างอื่นที่สอนให้พิจารณาไตรักเราพิจารณาไป เราเข้าใจเราก็จะรู้ว่าพิจารณาอะไรเป็นตายเป็นตายรักเกกช่นในอนัตตลักษณสูตรนี่ท่านก็สอนให้พิจารณาว่าขันห้าคือตัวเราที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมั น, น, นไม่ใช่ตัวเราของเรารูปังอนัตตาเนี่ยรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเป็นอาการเป็น อาการของใจและอาการของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายนี้เป็นอาการของดินน้ำลมไฟรวมตัวกันเข้ามาสร้างให้เป็นอาการสามสิบสองส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการของใจออกมาจากใจใจเป็นผู้คิดใจเป็นผู้มิรับรู้ความรู้สึกใจเป็นผู้จําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ให้พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรา เพื่อจะได้ปล่อยวางจะได้ไม่ไปทุกข์กับมันถ้าเราไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรามันจะทุกข์เป็นอะไรร่างกายเป็นอะไรเราก็ทุกข์เวลาเวทนาเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็จะทุกข์เพราะเราไม่อยากให้มันเป็นทุกขเวทนาเราอยากจะให้มันเป็นสุขเวทนาไปอย่างเดียวร่างกายเราก็ไม่อยากให้มันตายเราอยากจะให้มันอยู่พอเรามีความอยากอย่างนี้เราก็จะมีความทุกข์ แต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้ควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเหมือนจะตกก็ตกมันจะไม่ตกก็ไม่ตกยันใดร่างกายมันจะตายก็ตายมันไม่ตายมันก็ไม่ตายเราไปควบคุมบังคับไม่ได้ทุกขเวทนามันจะเกิดและดับเราก็บังคับมันไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ความจริงเราอยู่กับมันได้อยู่กับความตายได้อยู่กับทุกขเวทนาได้ถ้าเราไม่มีความอยาก ให้มันไม่ตายไม่มีความอยากให้มันให้ทุกขเวทนาหายไปเพราะความอยากนี้ต่างหากที่เราทนไม่ได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้ที่เราทนไม่ได้แต่ความความแก่ความเจ็บความตายนี้เราทนได้พระพุทธเจ้าพระหลานนี่ท่านอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างสบายเพราะท่านไม่มีความอยากไม่ให้ไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่นี่ก็คือ การทําวัดชาวัดเย็นจะมีบทคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่ส่วนใหญ่คนส่วนดกันจะไม่ค่อยสนใจที่จะศึกษาคําแปลกันเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าสวดอะไรก็เลยเป็นเหมือนนกแก้วเ อ, อแก้วจา๋าแก้วจา๋าแต่ไม่รู้ว่าแก้วจ๋าเป็นยังไงพอหยิบแก้วให้หยิบเพชนพลอยใ ห, ให้เกี่ยทิ้งหมดยาวกล้วยจา๋ากล้วยจา๋าเ อ, อพอยืน่นกล้วยให้ก็ความับเลย พวกที่สวดแบบไม่รู้เรื่องก็เช่นเดียวกันอพอเจออะไรก็จะคว้าว่าเป็นของเราตัวเราจะหวงจะรักทันทีเลยแล้วพอเสียก็ร้องห่มร้องไห้ทันทีเลยแต่ถ้าคนฉลาดรู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราเป็นของยิงเข้ามาเป็นของชั่วกราวเดี๋เข้ามาเอาคืนไปอพอเข้ามาเอาคืนไปเราก็จะไม่เสียใจนี่คือเรื่องของการทำวัดเช้าวัดเย็นก็เพื่อให้เราได้ได้เจริญสติ ได้เจริญสมาธิและได้เจริญปัญญาคําถามจากคุณชูติมาบ้านที่อยู่อาศัยนี้มีสารพระภูมิตั้งอยู่ก่อนมาอยู่ควรกราบไหว้ตามปกติหรือควรรื้อออกอ่านในหนังสือเทศนาธรรมว่าที่บ้านมีก็พยายามเอาออกเสียควรทําอย่างไรดีคะก็อยู่ที่ผู้อยู่นั่นแหละว่าจะต้องการอะไร พอสารพระภูมิก็เป็นเรื่องของความเชื่อเท่านั้นเองถ้าผู้อยู่อยากจะเอาออกก็ อ, ออกได้ถ้าอยากจะเก็บไว้ก็เก็บไว้ได้ไม่เสียหายอะไรถ้าอยากจะเอาออกก็เอาออกไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันก็เป็นแค่สิ่งที่เขาเชื่อกันเท่านั้นเองหรือเพื่อความสบายใจเวลาจะเอาออกก็ขอขมาลาโทษเผื่อไว้ก็ได้เผื่อมี พูดผีปีาศาจมีเทวดองเทวดาเทวดามันจะไปอยู่บ้านเล็กๆหลังนั้นทำไมมัน <c oughs> หาเศรษฐีมันอยู่สวรรค์ดีกว่าฉะนั้นมันไม่มีหรอกมันเป็นความเชื่อแต่เมื่อเชื่อแล้วถ้าเรายังจิตใจไม่เข้มแข็งยังไม่มีปัญญาพอถ้าทําให้เราไม่สบายใจถ้าเราเอาออกก็อย่าไปเอาออกก็เก็บไว้หรือถ้ามันเกติก็ขอย้ายที่เลื่อนที่ไปไว้ที่เหมาะสมก็ได้ หรือถ้าเราเชื่อในกรรมอย่างเดียวเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ก็เอาออกไปก็ได้คำถามจากคุณโจกพ่ออยากให้ผมทําอาชีพฟาร์มเลี้ยงบัวแต่ไม่ได้ค่าแต่เป็นการเลี้ยงเพื่อขายไม่ทราบว่าจะมีบาปมากน้อยเพียงใดครับและกรรมจากการทํานี้จะได้เจออย่างไรครับคือถ้าเรายังไม่ได้ค่าหรือสั่งให้เขาค่านี่เราก็ยังไม่ถือว่าเราทําบา แต่เราก็เป็นผู้ที่สนับสนุนให้เกิดการทําบาปด้วยการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้เลิกสง่งไปให้เขาฆ่าอีกทีนึง่งแต่ถ้าเราเลี้ยงโดยที่เราไม่ได้ส่งไปให้เขาฆ่าเช่นเลี้ยงเอาบุญอย่างสมเด็จพระสังฆราชนี้มีคนถวายวัวมา ไ, าไป้าไปไปปล่อยไปเขาเรียกอะไรนะไปถ่ายโคถ่ายถ่ายชีวิตโคมาแล้วก็มาถวายสมเด็จพระสังฆราชท่านก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเลี้ยงดูมันไป จนถึงวันตายของมันถ้าเลี้ยงแบบนี้ก็ไม่ไม่เป็นบาปไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นวิจฉาทิพแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อเอาผลประโยชน์จากชีวิตของเขาเลี้ยงเขาแล้วแล้วก็ขายขายให้ลงฆ่าสัตว์อย่างนี้อย่างนี้ถึงแม้เราเราไม่ได้ฆ่าเองมันก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรกระทําเพราะว่าถ้าอยากจะรู้ผลว่าเกิดยังไงก็ห้อคิดว่าเราทํากับเขาอย่างไรเราก็จะได้กับอย่างนั้นกลับมาหาเราก็แล้วกัน ถ้าเกิดชาติได้ไปเกิดเป็นวัวเป็นควายก็จะถูกเขาจับไปเลี้ยงไปฆ่าใหค้คิดอย่างนี้กฎแห่งกรรมให้คิดง่ายๆว่าวทําสิ่งใดกับใครก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาฆ่าเขาก็จะได้ถูกเขาฆ่า ข, าขาโมยทรัพย์ของผู้อื่นก็จะถูกเขาขาโมยทรัพย์ของเราไปประพฤติปิดประเวณีกับคนอื่นก็จะถูกคนอื่นกข้ามาประพฤติประเวณีกับคนของเราให้คิดแคนี้ง่า ย, ายๆแล้วจะได้ไม่กล้าทําบาปกัน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามปัจจุบันนี้มีคนเข้าใจผิดกันมากว่าเวลาเห็นเพื่อนหรือเพื่อนในเฟซบุ๊กไปทําบุญมาแล้วก็อนุโมทนาบุญกับเขาก็คิดว่าตัวเองได้บุญจากการอนุโมทนาโดยไม่ต้องเสียสตางหรือเดินทางไปทําบุญเองให้ยุ่งยากเพราะรอเพียงอนุโมทนาบุญก็ได้บุญแล้ว คิดเช่นนี้ถูกหรือไม่ขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายให้ความกระจ่างเรื่องผลบุญจากการอนุโมทนาบุญด้วยครับคือบุญนี้มันมีหลายชนิดด้วยกันนะบุญที่ ท, ทําเกิดจากการสละทรัพย์เช่นทําทานนี้ก็เป็นบุญแล้วการที่เราแสดงความชื่นชมยินดีกับการกระทําบุญของผู้อื่นก็เป็นบุญเหมือนกันแต่เป็นบุญคนละแบบกันอันที่สองที่จะได้รับก็ต่างกัน ถ้าเราไม่ได้ทําบุญเราก็จะไม่ได้รับผลบุญจากการสละทรัพย์คือเราจะไม่มีทรัพย์เราเราอยู่ข้างหน้าแต่เราจะมีความชื่นชมยินดีกับคนที่เราเวลาที่คนเขาเรารู้จักแล้วเขาไปทําบุญแล้วเราแสดงความยินดีโดยเฉพาะคนที่ <c oughs> เรารู้จักหรือใกล้ตัวเรา และคนที่เราคิดว่าเราอาจจะได้รับมรดกจากเขาเช่นพ่อแม่เวลาพ่อแม่ไปทำบุญนี้ถ้าเราไม่อนุโมทนาเนี่ยเพราะเราก็แสดงว่าเราหวงเงินหวงทองที่พ่อแม่ทำเพราะเราอยากจะได้รับมรดกแทนที่เราจะมีความสุขกับการทำบุญของพ่อแม่เรากลับทุกไปกับการทำบุญของพ่อแม่ทุกครั้งที่พ่อแม่ทาบุญแล้วเรารู้สึกว่าเราเสียเงินเสียทองไป ท่านถึงสอนให้เราอนุโมทนาเพื่อที่จะได้ดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการหวงเงินที่ไม่ใช่เป็นของเราแต่คิดว่าเป็นของเราในอนาคตเข้าใจนี่คือความหมายของเรื่องของการอนุโมทนาบุญเวลาสามีเอาเงินไปทำบุญแล้วภรรยารูเข้าก็เสียใจร้องห่มร้องไห้เสียดายเงินอย่างนี้ก็ถ้าอนุโมทนาก็ไม่มาร้องห่มร้องไห้ไม่เสียใจ มัน่นคำถามจากคุณปราถนาข้อแรกเมื่อก่อนจะเกิดเหตุการ์รับรู้บางสิ่งล่วงหน้าโดยไม่เคยคิดและไม่ทราบมาก่อนเรื่องราวที่รับรู้เป็นจริงทุกครั้งเลยกลัวทุกครั้งถ้าจิตสงบจะต้องรับรู้อะไรล่วงหน้า ตั้งแต่มาฟังธรรมพระอาจารย์ทุกวันสิ่งที่รับรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกลับไม่ปรากฏอีกเลยแต่จะมาปรากฏสิ่งปรากฏสิ่งนี้แทนคืออยากฟังธรรมเรื่องนี้จังพอตื่นมาแอดมินก็โพสต์เรื่องการพิจารณาความตายพูดง่ายๆคือจิตอยากฟังธรรมอะไรจะได้ฟังตามจิตต้องการเป็นเพราะอะไรคะ <S <S ก็เพราะจิตเราเป็นอย่างนั้นแหละ จตเรามีวาสนาทางนี้ก็แล้วกันปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้สมความปรารถนาในสิ่งนั้นๆข้อ 2. เหมือนเสพติดมากตื่นมาถ้าไม่ได้อ่านหรือฟังธรรมวันนั้นไม่มีพลังจะเพียและงุดหงิดแต่ถ้าได้อ่านหรือฟังธรรมแม้นอนน้อยเพียงสามชั่วโมงกลางวันไม่เพียนี่คือเกิดทั้งนี่คือเกิดทั้งภวะตันหาและวิภวะตันหาไหมคะ ถ้าเกิดความทุกข์ใจมันก็เป็นผลของตัณหาที่เกิดขึ้นอยากจะฟังทำแล้วไม่ได้ฟังก็เกิดความทุกข์ใจได้ฉะนั้นก็ต้องอย่าไปอยากถึงขั้นที่ทําให้เราทุกข์ใจคืออยากจะฟังถ้าได้ฟังก็ดีถ้าไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรทำมามีเยอะแยะไปไม่จำเป็นจะต้องมาที่หน้าเฟซบุ๊คนี้ที่เดียวของเก่าก็มีอยู่แตาไปอ่านของเก่าไม่ได้ต้องมาอ่านของใหม่ของใหม่มันก็ของเก่านี่แหละ อันนี้ก็อาจจะหลงจะต้องฟังใหม่ๆของใหม่ๆองนี้าจริงธรรมะของพุทธเจ้านี่มันของเก่าทั้งนั้นแ่ะแต่เอามาแสดงใหม่ให้ฟังเท่านั้นเองงั้นอย่าไปทุกข์กับมันถ้าไม่ได้ไม่ได้ฟังก็หาอย่างอื่นฟังก็ได้หาอย่างอื่นอ่านก็ได้ธรรมะมีอยู่ทุกแห่งทุกคนแม้แต่ในใจเราก็มีธรรมะถ้าเรารู้จักสร้างมันขึ้นมา มองเห็นอะไรก็คิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เป็นธรรมะแล้วคาถามจากคุณสายันพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระองค์แล้วมีกี่ข้ออะไรบ้างครับ <c oughs> มีสามข้อทานศีลภาวนาเอาไปปฏิบัติทาทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาคำถามจากคุณพร น, นิพาได้ฝึกสมาธิมาหลายปีแล้วค่ะ ตอนนี้มีสภาวะคือเมื่อนั่งสมาธิจนจิตรวมลงเป็นสมาธิบริกรรมหายไปลมหายใจเบามากจนแทบไม่รู้สึกว่าหายใจจิตสงบนิ่งนี่คือสภาวะอะไรและควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะถ้าจิตสงบนิ่งก็ให้สักแต่ว่ารู้กับความสงบนั้นไปประครับประคองความนิ่งความสงบนั้นด้วยสติต่อไปจนกว่า จิตจะออกจากความสงบนั้นถ้าอยากจะให้สงบต่อก็ภาวนาใหม่ดูลมหายใจใหม่ให้จิตกลับเข้าไปในความสงบใหม่ก็ได้ถ้านั่งไม่ไหวอยากจะลุกขึ้นมาเดินก็ให้พิจรารณาร่างกายก็ได้พิจารณาว่าร่างกายของเราของใครก็ตามเหมือนกันทั้งนั้นเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟ ให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะมีอาการที่ไม่น่าดูมีสิ่งโสโปรกที่อยู่ข้างในแล้วขับถ่ายออกมาตลอดเวลาพิจารณาเหล่านี้แล้วจะทําลายตันหาความอยากที่เกี่ยวกับร่างกายได้ก็จะดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายได้หลังจากพิจารณาเดินจงกรมเมื่อแล้วก็กลับไปทําใจให้สงบใหม่สลับกันทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่า จะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็เฉยเห็นร่างกายของใครก็ไม่เห็นว่าสวยว่างามเห็นทั้งส่วนที่สวยเห็นทั้งส่วนที่ไม่สวยก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่มีการมารมกับใครคำถามจากผู้ฝากถามหนูอ่านประวัติหลวงตาที่เล่าถึงโยมแม่ในช่วงที่เทศนา ร, รมชุดเตรียมโปรดคุณภาวนาก็ตรงกับช่วง ปีที่หลวงพ่อเข้าไปวัดป่าบ้านตาดในประวัติหลวงตาเล่าว่าบางทีผู้ทำขั้นสูงสูงคือเรื่องตายโยแม่ก็ร้องไห้ไม่อยากได้ยินจากนั้นฟังเทศหลวงตาทีไรจิตก็ล ง, ก, ลงก็ลงทุกข์การไม่เคยพลาดพอวันละสังขารก็ตอบหลวงตาว่าจิตใจดีสง่าผ่องใสตลอดเวลาไม่วิตกวิจารกับความเป็นความตาย หนูอยากรู้ว่าโยมแม่หลวงตาปฏิบัติอย่างไรเพราะช่วงนั้นก็น่าจะอายุ80กว่าแถมเป็นอมภคท่านเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอย่างไรสำหรับคนแกช่ชราสาหรับคนแก่ชราภาพทางสังขารขนาดนั้นแล้วท่านยังได้หลักใจตามที่หลวงตากล่าวถึงขอหลวงพ่อเมตตาเล่าถึงปฏิปทาและวิธีการปฏิบัติของโยมแม่ของหลวงตา จะเป็นกำลังใจให้ผู้ที่มีข้อจํากัดทางร่างกายได้เจริญรอยตามค่ะอันนี้ต้องขออภัยเพราะว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยศแม่ท่านอาจารย์ไม่เคยเห็นหน้าเห็นต่างกันเลยถึง แ, แม้ว่าจะอยู่วัดเดียวกันแต่เป็นหญิงกับชายเป็นหญิงกับพระก็เลยอยู่กันคนละโซนกันแล้วก็ไม่มีหน้าที่จะไปเกี่ยวข้องกับท่านก็เลยไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติอย่างไรแต่ถ้าให้คากเกณฑ์ท่านก็ปฏิบัติทางใจนี่แหละ เพราะว่าธรรมมันอยู่ในใจอิริยาบทนี้เป็นเพียงส่วนประกอบถ้าเดินไม่ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้ถ้ามีสติแล้วมันสามารถปฏิบัติได้ทุกกิริยาบทแล้วก็ถ้ามีสติมีปัญญาก็สามารถกําจัดตันหาความอยากกําจัดความทุกข์ต่างๆได้ที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงไปยึดไปติดเนีเห็นถ้าท่านไม่มีความทุกข์กับร่างกายก็สแสดงว่าท่านเห็นแล้วว่าร่างกายนี้เป็นตายร่าง เป็นอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวท่านเป็นเพียง <c oughs> ด่นน้ำลมไฟเวลาร่างกายตายก็จิตตายอย่างผ่องใสจิตผ่องใสสงบเนี่ยเพราะปล่อยวางได้แต่ตอนที่ฟังธรรมใหม่ๆฟังถึงความตายนี้ไม่สบายใจเพราะตอนนั้นใจยังไม่มีความสงบใจยังไม่มีธรรมพอมีความสงบมีปัญญาแล้วทีนี้ก็จะไม่ วิตกกังวลกับความเป็นความตายของร่างกายคำถามจากคุณกุ๊กไก่ตอนนี้หนูมีปัญหามีอารมณ์กำหนัดมีอารมณ์รักใคร่เพศตรงข้ามจนถึงจนถึงขั้นเจอไม่ได้หลงรักหลงชอบทันทีแต่จะเกิดขึ้นเวลาที่หนูไปเจอผู้คนปกติหนูจะเก็บตัวภาวนาที่บ้านจะออกไปตลาดเฉพาะเวลาไปซื้อกับข้าวซื้อของเครื่องใช้ หลายวันจึงไปสักครั้งเวลาอยู่ในบ้านปัญหานี้ไม่ได้มาลบกวนเท่าไรจะเรินสติได้เป็นปกติเพียงแต่นั่งสมาธิถดถอยนั่งได้ไม่นานไม่สงบเท่าเมื่อก่อนก่อนที่ไม่มีอารมณ์แบบนี้ก่อนหน้านี้หนูเคยมีอารมณ์กำหนัดอยากมีใครสักคนแต่ไม่ได้นึกถึงตัวบุคคลเป็นแค่อารมณ์ แล้วพระอาจารย์ให้พิจารณาอสุภะหนูก็พิจารณาไปจนเห็นกระดูกเดินตามเห็นศพยิ้มให้แล้วอารมณ์นั้นมันก็หายไปแล้วมันก็กลับมาอีกหนักกว่าเดิมหนูต้องพิจารณาอย่างไรระงับอารมณ์นี้อย่างไรเพราะหนูกลัวว่าเวลาต้องออกไปซื้อของอีกเจอใครแล้วจะเพี้ยงพรามีแฟนเพราะอารมณ์แบบนี้ค่ะ ก็ต้องพยายามพิจารณาสุภาษตลอดเวลาพิจารณาไปตลอดเวลาเห็นไข่ก็โดยเฉพาะเวลาเกิดการอารมณ์ขึ้นมาต้องมีอสุภาษมาดับมันถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะสามารถเอาอสุภาษนี้มาดับมันได้แต่ถ้าเราพิจารณาไม่มากมันก็จะเป็นเพียงสัญญาบางทีก็จําได้บางทีก็จําจไม่ได้บางทีร่างก็เห็นคนนี้ลืมไปหมดแลย้ยสุภาษ เวลาอยู่คนเดียวนี่พิจารณาได้พอไปเห็นหน้าตาคนนั้นคนนี้เข้าลืมหมดเลยแสดงว่ายังไม่มีกำลังพอสุภาะต้องพิจารณาให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นอ่หมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอีกหมที่ที่นี่มีไม่ชุดแดงมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังอ่ะว่า